นีมีนักบวชมนมีสารวามาเกี่ยวข้อง <c oughs> เ, เทก็จะส้งเทศเรื่องปฏิบัติกาปรปฏิบัติจิตใจเป็นหน้าที่ของนักบวชนักบวชคือนักเว้นนักออก <c oughs> เย็นจากชั่ว และต่งางๆเรืนจากคิดออกจากโลกจากโกดจากหลงเรี่อว่านักบวชยังบวชแต่กายบวชง่ายบวชเมื่อไรก็ได้แต่บวชใจบวชยากการบวชของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านบวชทั้งสองอย่าง ทางใจท่านก็บวชทางใจท่านก็บวชไม่ได้บวชเล่นบวชเสียงทุกเสียงไทยบวชปฏิบัติใจเที่ยวผทุก น, นักบวชสมัยนี้มีดาดเดินบางวัดบางวาจนจะไม่มีที่พักที่อาศัยมีนักบวชทั้งผู้หญิงผู้ชายมีมากหนาหลายตา แต่การบวชเพื่อลดทุกข์นกิเลสตัณหานั้นดูเหมือนจะหายากไม่ว่าอยู่ในวัดบ้านหรือ ว, วัดป่าวาราจิตที่คิด ต, ตรุงพื่อจแก้ไขตัวเองให้หนีจากทุกข์จากโทษรู้สึกจะหายากมีแต่คิดแต่รุงไปด่านโลกด่านสงสารการบวชแบบนั้นบวชแต่้าย คือในบวชใจตายเป็นนักบวชหล่อลวงเขาจินมเป็นเศษในเครื่องแบบคือหาศีนสมาธิสัญญาวิชาวิมุตไม่มีแต่ก็ปชียานตนว่าเป็นนักบวชบวชแล้วไม่ตังหน้าต่างๆรักษากายวายาจใจฟ้องตัวเคยทำพูด ัวอยู่อย่างไรก็ยังทายังพูดยังคิดไปในทางนั้นนี่คือการบวชตั้งแต่เรื่องของตายจะมีจำนวนมากขนาดไหนก็ไม่เก็นไปเถื่อมักเสื่อผลไม่เก็นไปเถื่อเป็นสี่มงคลจะภูามาทำบุญนักบวชที่จะดีจะเด่นจะเป็นสี่มงคล เป็นเนื้อนาะบุญของโลกได้ก็ต้องอาศัยการบวชเื่อปฏิบัติถึงเรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอัธรามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาตายวายายใจของตนคือํำระาาสารสิ่งที่ชั่วให้ตกออกไปการนึกคิด เรื่องอัดคำต้องนึกคิดอยู่บ่อยๆตรวจตา่ิจารนาใจตัวเองไม่ใช่บวชแล้วยังอยจะมากินมาเล่นมาเพินว่าไม่ได้ทำการงานอะไรก็เขาเอามาให้ส่วนหนุ่งของโมที่อยู่ที่อาศัยตลอดปัใจัต่างๆเขาหามาบังรุงบัเลาะสก์ืสือว่าเป็นผู้ รักษาศีลรักษาธรรมปฏิบัติตายใจเถ่วเป็นไปในทางผลทุกนี่คำหมายของสารวาตรทั่วไปเขาซื้อว่าการให้แก่นักบวชผู้มีศีลมีธรรมเป็นบุญเป็นกุศลยย่งใหญ่ไพศาลเขาคิดอย่างนั้นเขาจึงสละเท่าของเงินทองที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้า ต่างๆนานาให้เพื่อความสะดวกกายสบายใจในการ ป, รปฏิบัติแต่นักบวชบวชมาแล้วไม่ได้กำหนดนึกคิดอย่างนั้นคือว่าบวชเขาให้ผัาชายไปฉันไปโดยไม่ได้คิดถึงว่าเราเป็นนักบวชจะต้อง ป, ปฏิบัติตามจาริยประเมมีของนักบวช พระพุทธเจ้าบวชสาวกบวชบวชอย่างไรเราผู้ที่บวชตามรอยสะบาทของพระพุทธเจ้าเราได้ประสิทิปฏิบัติถูกต้องหรือไม่หรือมีอะไรบกซ่องอยู่ในกายในใจของเราไม่ได้ตรวจตาที่เจริญนาก็เลยลืมวันลืมเวลาลืมเดือนลืมปีเดือดไปผลี่สุดก็ไม่มีอะไรซึ่งเป็น สิ่นเป็นส่วนที่ดีในตัวของตัวบวชแบบนี้บวชโรคศาสนาบวชเยี่ยมยีศาสนาบวชทําลายศาสนาถ้าบวชมาตั้งหนา้าตั้งตารักษาข้อวัดปฏิบัติภายนอกก็ตั้งหนา้าตั้งตารักษาตามหน้าที่ของสมณนะอยู่สถานที่ใดเอาใจใส่ รักษาคามสะอาดวัดนอกปัดกวาดดูแลสิวิหารลานวัดนี่เป็นข้อวัดภายนอกข้อวัดภายในคือกำหนดใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจข่องตัวไหลไปสู่ทางที่ชั่วที่เสียทางราคากันหาทางโลกทางโกดางหลง ตัวตาที่จะนาอยู่เรื่อยำรวมใจให้เขาอยู่ในวงของอัดของธรรมกำหนดจิตที่เคยจิตปรุงไปทางนอกถ<อ>ือว่าการนึกคิดติดตามอารมณ์สัญญาส่วนนั้นเราเคยกำหนดเคยนึกคิดเคยปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์มาเป็นเวลาระยะยาวนานหากอารมณ์ส่วนนั้นที่จะ แก้ไขใจของเราให้สิ้นไปเสวยผลทุกแล้วเราก็คงผลทุกไปนานแล้วคิดไปเท่าไรปรุงไปเท่าไรใจที่ออกนอกจากวงข้องอัดฟ้องทำนั้นไม่เคยนำคว า, ามสงบสุขมาให้นี่แต่นำอารมณ์สัญญาที่เป็นพิดเป็นภัยมาจู่ายสู่ใจของตัวให้ชั่วให้เสีย เราจะต้องมีสติมีปัญญาสอนใจของตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นปรับใจจะต้องขับไล่ภาหาเส้นส่วนสชั่วสี่เสียนี่คือนักบวชปฏิบัตริรักษาวัดภายในรักษาใจของตัวในให้อารมณ์ชั่วอารมณ์เสียมาเกี่ยวเกาะในจิตในใจเมื่อเกิดขึ้นก่อสาระสมสางไป จึงได้ชื่อว่านับปฏิบัตินับทำความเพียรความเพียรในศาสนาที่พระพุทธเจ้าถือว่าประทานความเพียร น, นั้นคนที่เคยศึกษาาำรับตำลาก็พอจะจำได้แต่จำตำรับตำลานั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับจิตกับใจท้องตัวถ้ามันเกิดขึ้นกับจิตจับใจท้องตัว คือมีสติดูแลรักษาจิตใจจิตไขจิดสิดท้องกับสัญญาอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั้นมันเป็นอีกประเภทหนึ่งจึงจะเกิดเป็นสมัปะทานคือทานความเทียนได้ทานเทียนที่ท่าน่าวอาไว้ก็คือสังวปรปัะทานระวังรักษากายวจาใจใจของตัวไม่ให้ ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วด้วยสติด้วยปัญญาที่ที่พยานาอยู่ตลอดระยะเวลาเว้นแต่หลับตื่นมนาจะต้องสรวจตาที่เจริญนาเราจิตใจของเรามันไหลไปสู่สิ่งที่ชั่วหรือไม่ไม่ต้องพูดถึงกายวาจาเพราะกายวาจาเรานั่งอยู่เราไม่ทําเราไม่พูดอะไร ก็ไม่มีทางชั่วทางเสียไปได้แต่เรื่องของใจถึงเราจะนั่งอยู่นอนอยู่ป่วยอยู่มันก็คิดไปได้เป็นเรื่องอกุศลวิตกชือวิตกไปในทางชั่วทางเสียตามมาิตกวิตกไปในทางตามารมณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทวิตกวิตกไปในทาง ูกโกรธูกแข่งกับคนอื่นสัตว์อื่นเยียดเบียนสัตว์อื่นเยียดเบียนตัวเองวิหิงสาวิตกทาวิตกดูอย่างนี้จิตไม่มีเวลาเยียบเยียนจิตไม่มีเวลาที่จะเห็นอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสันติงหักห้ามให้สังวรรักษาด้วยสติปัญญาของตัว เพราะมันไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากใจมันทราบจากใจอะไรมาเกี่ยวข้องมันต้องทราบถามีสติถามีปัญญาเมื่อเรา ล, ลสาสังวร อ, อย่างนั้นความชั่วทางนอกไม่ให้ไหลามาทับถมโจมตีจิตใจของตัวสังวรระวังไว้ หักห้ามไว้ตั้นไว้ไม่ให้กายว า, ายาจใจไปเกี่ยวข้องกับความชั่วไม่ให้ความชั่วลัวไหลเข้ามาสู่กายว า, ายใจใจได้ชื่ว่าสังวรปัดหานคือระวังบาปภายนอกระวังชั่วภายนอกระวังผิดภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องปัดหานปาัดหานพิดถิมานะราคะปัญหาซึ่งเคย มีอยู่ภายในจิตใจของตนมันมาอย่ากเกิดเว็นการจินเวลาทั้งทั้งที่เราไม่ปราถนาอยากจะให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นปรุงขึ้นนรือเรียกว่าวิเลศภายในคือเกิดขึ้นจากใจโดยไม่ได้เห็นโดยไม่ได้ยินแต่มันก็ปรุงก่คิด ในจิตในใจท่านให้มีปะหารสัจธรรมให้ทราบเลื่องของมันเมื่อมันคิดปรุงไปในทางชั่วทางผิดอย่างนั้นท่านให้สำลักด้วยสติด้วยปัญญาคือพิจรารณาอัตทําชเ่แก้ไขเช่นราชาตัญหาเกิดขึ้นเราก็จะต่องพิจรารณาเอาสุขะเอาสุขัอขงอ น, นิจจังอนัตตา เพื่อจะแก้ไขทับไล่ความสงสัยในจิตในใจให้ตกออกไปเพราะจิตใจในรู้แจ้งเย็นจริงในอาจในธรรมมันจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่เราพิเจนอาสุพัทความไม่สวยไม่งามของกายความกำหนัดยินดีจยิเดียกว่าราชัก มันก็ค่อยเบาไปสบายไปหายไปเพราะเรื่องอาชุพะเป็นอาวุธที่จะต่อสู้กับราชะคนเราทางหากที่จจรนาอาุพะความไม่สวยไม่งามความเป็นจริงของกายในว่ายี่ยงวัยชายมีตัแจกก้อนอาชุพะ คือความหม่สวยไม่งามทางนั้นหม่ว่าผมขนเล็บฟันหนังที่อุปชาอาจารย์แนะนก่อนบวชเป็นสามาณนเหมอะผ่ากัราว่าพัดพันตองบอกตองสอนคือให้อาวุธแก่นักบวชเพื่อจะได้ต่อสู้กับราคาตันหาที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของตนให้พิเจนาหยาบยน ัวถึงในสิ่งเหล่านี้อย่าถือว่าท่านให้กรมมฐานานั้นให้เป็นประเทมีไม่ใช่อย่างนั้นท่านให้อาวุธแก่นักบวชเพื่อสูส้ลบขบกับจิตใจที่มันไขคิดจิดคล้องในเรื่องรา้าตันหาข่าทีาทิจารณาโดยละเอียดจนจิตใจ เราเห็นเป็นจริงอย่างนั้นมันจะปล่อยวางทอดทิ้งเหลี่ยงความกำหนัดยินดีต่างๆให้ตกหายไปเพราะผมที่เราเคยถือว่ามันงานอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้ดกดําเป็นมันอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดฟุงท้องคนทั่วไปมาปิดข้องหลงไหลในเรื่องของผมพวกเรานักบวชโกนขิ้ง ว่าอะไคือว่าเสียสลักม่ยินดีในผมของตัวไม่จบในแต่งให้เสียเวลาเพราะโกนทิ้งออกไปแล้วแต่มันไปหลงไหลผมของคนอื่นสิ่งเราเห็นใยตาเราที่ว่างมันสวยมันงามเราต้องกำหนดเรื่องของผมเราโกนออกมา ลงผมตกลงไปสู่ที่อื่นที่ตกออกจากที่ฝ่าของเราไปสู่ผ้าผ่อนช่อนสบายสู่ดินก็ดีสู่น้ําก็ดีเป็นอย่างไรถูกผ้าเราก็ไม่ปราดขนาดเห็นอยู่ที่ไหนก็เก็บยดขึ้นหยียดขึ้นไม่ได้ถือว่าเป็นของหดีของดีอะไรตกไปในน้ําตกใส่ใ น, น อาสนะที่นั่งที่นอนก็ปัดกวาดออกเพราะเห็นดา บ, บผมนั้นมันไม่เป็นของสวยงามยิ่งตกใส่ของเราดื่มเราฉันเป็นต้นว่าน้ำดื่มหรืออาหารแล้วเราจะไม่พอใช้ถึงแม่อาหารนั้นจะตรงรสชาติของมันอยู่กอดตังแต่เห็นผมมากๆอยู่ในนั้น เราจะขยะแายางในต้าที่จะดื่มจัดทานนา้ำห น, นึ่งน้นเพราะเห็นว่าผมเป็นของสดกับปวกปฏิพูลความจริงมันงอกขึ้นได้ก็อาศัยน้ำเน่ า, นาหนํ า, นาเบี้ยงอยู่ในตัวของเราเหืือนกันกับหญ้าที่มันเกิดงอกงามได้ก็ อ, อาศัยฝุ่นอาศัยน้ำมันจึงงอกขึ้นได้ ถ้าหากมันไม่มีน้ําไม่มีฝุ่นอะไรจะบารุงรักษามันมันโตงอกขึ้นไม่ได้เหีห่ยวแห้งตายไปอย่าอย่างไรผมของเราก็อย่างนั้นมันไม่เป็นของสวยสดงดงามอะไรจะอาศัยตกแต่งอาศัยตาฝ้าตาฟันฟังอาศัยความโง่เง่าเตาตุน่นไม่มีสติสัญญา ที่เจรนาตามเป็นจริงจริงไปหลงสิทธิ์ข้อรัดไข่ชอบใจในเรื่องของผมขนก่อม้วนซันในเนื้อหนังของคนทุกคนมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสวยงามให้ถ้าหากที่เจรนาด้วยความเป็นจริงของมันนี่คือการทิจเจรณาทำเสือสาลักขับไล่ใจจิตไปข้องจิตคิดปรุงในราคาจันหา ให้สงบให้ลงนับเข้ามีการทินิธิเจานาการสังหารเหยียปราหานปราัจธรนคือกําจัดความชั่วบาปกรรมที่เคยมีอยู่ในจิตในใจให้หมดออกไปหลุดออกไปให้เกิดความเย็นแจ้งในอาจในธรรมขึ้นท่านเรียกว่าราหานปราัจธรน เนือมีสังว ร, ระทาญการหัดห้ามอารมณ์สัญญาทายนอกที่ทั่วเสียต่างๆมาเหตเขามาเกี่ยวข้องกับกายวายใจใจทหารสะทานสารภายในม่ด้วจิตใจของตัวที่คิดที่ปรุงที่ติดที่ข้องที่มีอยู่เก่าก่อนให้ตกออกไปให้หมดออกไปด้วยอานาจของสติ้วยอํานาจของปัญญา ปัตตาความเียนแล้วจิตใจนั้นจะเป็นอย่างไรผู้ที่ทมอยู่อย่างนั้นพิ้ที่นาอยู่อย่างนั้นรักษาอยู่อย่างนั้นทํนบาบอภาวนาประชามคือการสร้างบุญสร้างผุ้สนสร้างความงสงบสร้างความเย็นใจให้แก่ตัวของตนคนที่ที่ณาอยู่อย่างนั้นจิตใจของท่านจะสงบจะรังงับ จิต ใ, ใจของท่านจะเยือกจะเย็นจะเป็นพักผู้ประเสริฐเป็นสมณะนะผู้สงบได้ถ้าไม่มีอุบายสอนใจไม่มีสติปัญญาอะไรเพียงแะ่หมเหลืองหนุ่งขาวถ่านั้นมันก็ไม่ผิดแปดตกต่างอะไรกันกับคารวะกับสัตถถว์พวกไฟเราจะต้องสอนใจของเราอย่างนั้นเรามาบวช เพื่อออกเพืนน่นี้จากทิศถิมานะจากที่เหลือตันหาเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตากําหนดรักษาจิตใจท้องตัวมาให้ชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องชั่วที่นี้อยู่พับไล่ไสส่งมันออกไปจึงใดที่เป็นผลเสียจิตเสียใจทําจิตทําใจให้หยอดเย็นทําจิตทําใจให้หายจากตังวลวุ่นวาย ทำจิตทำใจของตนให้สงบสบายเราจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาไ่จิตที่นี้ที่เจรณานี่คือภาวนาประทานการรักษาจิตของตัวไม่ให้ชั่วไม่ให้เสียต่างหนาต่างๆภ า, าวนาละชิเลเดียกว่าประทานทวาเทียน <c oughs> ข้าที่สามคือภาวนาประทานอนุรักษนาประทานจิตใจที่เคยสิ่นเคยบา้านเคยสงบเยือกเยน็นให้รักษาเอาไว้อย่าให้ตกไปเสียไปเมื่อบผู้มีสติปัญญารักษาใจคงตัวได้อย่างนั้นอยู่สถานที่ใดตั้งใจจะทำความเพียรอยู่อย่างนั้นขานดากเป็นผู้ที่ภาวนา เป็นผู้เละเกิเลสถึงกิเลสจะยังไม่ตกออกไปสิ้นในจิตในใจพอนับวันนับเวลาที่จะเบาบางไปจนขาดสิ้นเราเลยตรวจตาที่เจรินาจิตใจของเราไหมว่มาเป็นอย่างนั้นหรือไม่หรือหากปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันเป็นโมฆะบุคคลเป็นนัก บ, บวชแต่เพียงตาส่วนใจนั้น บุ่นวาเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญากับกิเลสปัญหา้หาห่าเราไม่ตรวจตาที่จะในนารักษาตัวของเราแล้วโอกาสเวลาที่จะเป็นช้เป็นเนนเป็นผู้ดีผู้ดีมีสติปัญญานั้นรู้สึกว่าจะหายา้เพราะมันไม่เกิดเองเป็นเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัย การตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นมันจึงเกิดขึ้นเป็นขึ้นได้อย่างสลาที่เรามาพักชาอาศัยปลูกจากันอยู่เดียวนี้ก่อทานองเยียวกันไม้มันอยู่ในป่าไม่ใช่ว่ามันเกิดเป็นสลายขึ้นมาเองอาศัยการจะทําของบุคคลเห็นว่าควรจะทําอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้นาานหามาประกอบกันเข้ามันจึงเป็น ศาลาเป็นส่พักคาอาศัยกันแดดกันฝนอยู่สะดวกสบายได้จิตใจของพวกเราทั้งหลาย่าทำนองเดียวกันไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันจะดยุดจะดีจะมีสติปัญญาเกิดวิชาวิมุตถ้าเราไม่ตัางหน้าตัางตาพยายามรักษาภาวนาไร้ขีเหร่แล้วมันเกิด ม, กมันเห็นมันรู้ไม่ได้ยิ่งตายมันสะดวกสบาย ไม่ได้แต่ทำการงานหนักแน่นอะไรพอกินแล้วก็หลับก็นอนก็พูดกคุยกันไปคิดปรุงไปไม่ได้รักษาใจทั้งตัวยิเลษก่อนับวันทวีคูณขึ้นเพราะเรื่องชายมีกำลังเหมือนกันกับโจรมีอาวุธมันสหอะไรนั่นกว่าสามารถทานั้นเพราะมันมีกำลังมันได้อาวุธดี เราก่อทำนองนั้นนักบวชบนต้นก็รู้สึกเจงถามในวัดในวายในศีลในธรรมต่างๆในก้าสามากที่จะทำอะไรบัวมันจะผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้แต่บวชมาหลายปีเคยวัดโดยไม่ได้ทีนี้พี่จมาอะไรอันนั้นเราก็เคยศึกษาเคยอ่านมาอันนี้เราก็เคย ที่จะไรมาแต่เ้อว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่ง น, น, นั้นสักอย่างยื่ยต์ตนหาไม่มีอะไรที่จะตกไปนี่จะทับถมโจมปีเข้าไปบ่อยอารมณ์เก่าเน่าเสียผ่านมาไม่สาวะกี่ปีนั้นนำมาพุงมาคิดให้จิตท้องตัวเ่าร้อนให้จิตท้องตัว วุ่นวายมันมีเหตนั้นมันจิงอยู่ในสาสตรนะไม่ได้คิดว่าออกไปเป็นคาราวาสสบายกว่าอยากดูอยากฟังอะไรก็ได้คิดว่าทุกอย่างมันง่ายมันสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรเข้าใจว่ามันง่ายแต่ความจริงแล้วมันยากมันยุ่งทุกสิ่งทุกอย่าง กา จ, จะได้มาไร่ว่าข้าวปลาอาหารพ่อนผ่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยก า, าจะเป็นจิตเป็นอันนะมันยากไม่ใช่ง่ายลำบากแต่เราไม่ได้ทำนึกว่ามันง่ายเมื่อจกออกไปหายใจจากศาสนาไปตามอำนาจของจิเลกัญหานั้น เคยเห็นไหมใครเขาได้รับความสุขความสบายทางกายทางใจไม่เคยเห็นนี่เจ็บนเสียงเข่าของเงินทองจะมากมายายกองขนาดไหนใจมันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากมันไม่มีฝั่งมีฝาเราต้องมาํำระนาทิเจรณาสวยแก่ไขขับไล่จิตใจของตัวที่หลุ่มหลงให้หมดไป ต, ตกไปอุบาย ธรรมะที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนไว้มีมากหาผู้คนิี่จเจริานำมารักษากายวจายใจท่องตัวแล้วคนนั้นจะเป็นคนไม่อดไม่จนจะเป็นคนสุขคนสบายเพราะธรรมะทุกข้อเหมาะสมกับเรื่องที่เรียกตัญ ห, หาที่จะแก้ไขขับไล่ออกจากกายจากใจ แต่เมื่อเกิดวิเลตันหามานาทิสิึุนมาก็เพราะเหตุว่าเล่าไม่เด็ดพิจรารณาทรน่มมะไม่ได้เอาทรน ม, มะมาแก้ไขจิตใจจึงหลงจึงเหอไปทางผิดจนตายไม่มีโรคใครไข้หนาวอะไรแต่ใจก่เป็นทุกข์เดือดร้อน เพราะความยากความปรุงท้องใจเรามาบวชมาบวชเพื่อสะสมชีเลศหรือไม่หรือมาบวชเพื่อขับไล่ชีเลศของสัวตาที่เจนาสอนใจของตัวนักบวชทุกคนเป็นแน่พิมพ์สำคัญนักบวชนี้โดยส่วนใหญ่คนอยู่ในโลกเขาจ้องมองหือว่า เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่เสียสละและมันสมจชิงกับเขามั่นหมายหรือไม่หรือเยงจะบวชเท่านั้นแต่ใจมันอยากได้อันนั้นมันหุ่มหลงอันนี้ต้องตรวจตาที่เจริญนาธรรมละยังจะเป็นนักบวชที่หน้าศักตรบโบูชา าานาศาสนาว่าถ้าไม่คิดไม่พิจารณาอย่างนั้นวันเวลาสี่ผ่านไปผ่านไปไม่ได้ทำอะไรเพื่อความสุขความสงบของใจี่จะคิดไปปรุงไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาเอากิเลสตัณหาเป็นศ า, ศาสดาสอนใจไม่ได้เอาธรามลี้ในเข้าค่มขู่คนเช่นนั้น ถึงจะอยู่ในศาสนาได้ก็ไม่มีความสุขความสบายเดือดร้อนวุ่นวายเป็นเศษในเครื่องแบบหลอกเขากินอยู่ตลอดเวลาเกลจิตของตนเคย เ, เด็กทีจะรดนาเคยจะทำไรอย่างชั่วหรือไม่ขหากนักบวชทุกคนสรวจตาที่แจมาแนะนตัวข้องตัวอยู่สามเสมอจะไม่ลืมตัวสิ่งที่ชั่ว เราไม่ป่าถนะก็จะต้องชาระออกไปเพราะบวชในบวมชมาสะสมกิเลสบวเชเพื่อชำระกิเลสกิเลสคือสิ่งที่เศร้าหมองกิเลสคือสิ่งที่ก่อกวนจิตใจให้เราร้อนเราจะต้องชำระธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงนักบวชข้าหาตัวเพื่อปฏิบัต รักษากายวายใจใจของตนขับไล่ปัญญาอารมณ์ที่ชั่วเสียต่างๆออกไปมีความเพียรมีสติปัญญาอยู่ในใจตลอดเวลานักบวชอย่างนั้นจะประสบพบเห็นความเยือกเย็นของใจจะน่าสาบปน่าหวน่าสักการะบูชาจะไม่เป็นนักบวชที่ หลอกหลอนชาวโลกเขากินเป็นนักบวชที่ดีเป็นเดบถิมที่ดีพวกบวชมาใหม่ก็จะดูผู้ใหญ่ที่บวชมาก่อ น, นท่านจะเทศปฏิบัติอย่างไรหรือยังสอนแต่ตางแต่ตัวเองไม่เคยกำหนดไม่เคยที่นิดที่ใจนะไม่เคยทำรัก